จนเวลาที่ภรรยาจะคลอดบุตรภรรยาก็เริ่มลางานเขาบ่อยๆเราเองก็ต้องตั้งหน้าทางานไปมานั่งทบทวนเงินเดือนที่เคยได้รับเดือนละหนึ่งบาทก็คงได้รับอยู่เท่านั้นไม่เคยได้ขึ้นเงินเดือนอีกคิดแล้วมีแต่หดตัวลงใช้จ่ายค่ายาต่างๆอาทีเช่นค่าไฟฟ้าเดือนละหนึ่งบาทค่าน้ำเดือนละหนึ่งบาทห้าสิต่าง ค่าฐานค่าข้าวสารเดือนละยังน้อยหบาทค่าคนใช้เดือนละสี่บา ท, า ย, บาทยังค่าเครื่องแต่งตัวของสองคนผมมอีกนับวันแต่จะหมดมากกึทุกทีอยู่ต่อมาภรรยาโคตรบุตรการใช้ใจ่ายก็สิ้นเปิงมากขึ้นไปอีกภรรยาไม่ได้ทำงานเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้นานๆเข้าตัวเองก็ป่วยไม่ได้ไปทำงานที่ห้างหลายวันนายห้างก็ตัดเงินเดือนภรรยา เหลือเดือนละ15บาบาทนักหนักเข้าค่ายาค่าหมอก็หมดเปืองเข้าไปอีกคิดแล้วเงินที่ภรรยาได้รับเดือนละ15บาทในส่วนตัวเธอไม่พอจ่าซ้ำยังถล่าเข้ามาในเงินเดือนของเราอีกเงินเดือนของเราที่ได้รับเดือนละ50บาทแต่านการ่อนคิดแล้วต้องใช้ใจ่ายหมดไม่มีเหลือในที่สุดภรรยาป่วยหนักถึงแก่ความตายต้องไปขอยืมเงินจากในห้างห้าสิบบาท ของเรา50บาทรวบรวมมาทำบุญให้ภรรยาที่ตายไปหมดเงินไป8ปบาทยังคงเหลืออยู่20บาทยังมีลูกเล็กๆอีกหนึ่งคนจะทำอย่างไรกันดีตอนนี้ที่เคยหายใจโลมาแต่การก่อนชักจะเริ่มอึดอัดเข้าไปหาพ่อตาแม่ยายชักไม่ติดต้องไปจ้างแม่นมมาเลี้ยงบุตรแม่นมก็เป็นคนชั้นตำ่ำเขาเลี้ยงดูและดีกับลูกเราเหลือเกิน ความดีของแม่นมทําให้เราเกิดมีความรักความเมตตาในที่สุดก็ได้แม่นมมาเป็นภรรยาอีกคนหนึ่งแม่นมเป็นคนไม่ได้รับการศึกษาแม้หนังสือไทยก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส่วนเงินเดือนของเราก็เหลืออยู่เพียงเดือนละห้าสิบาทต่อมาแม่นมก็เริ่มตั้งครรภ์เราก็แสดงความเมตตาภาณีแก่เขาไม่ให้ได้รับความทุกข์ลาบากหรือทํางานหนักก็พออยู่พอกินกันไปแต่ เขารู้สึกผิดหวังที่ได้ตั้งใจไว้แต่เดิมไปบ้างต่อมาแม่นมก็คลอดบุตรออกมาอีกหนึ่งคนได้ช่วยเลี้ยงดูกันมาจงกระทั่งบุตรที่เกิดจากภรรยาเก่าโตพอสมควรบุตรที่เกิดจากภรรยาคนที่สองก็โตพอสมควรตอนนี้แม่เลี้ยงแับจะเกิดยังไงยังไงขึ้นคือไม่รักบุตรที่เกิดจากภรรยาเก่าบุตรที่เกิดจากภรรยาเก่าก็าฟ้องเราเสมอเสมอ ว่าแม่เลี้ยงมีความประพฤติไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางครัง้งบุตรกับบุตรก็เกิดทะเลาะวิวาทกันสมมติว่าบุตรสองคนแม่หนึ่งคนต่างฝ่ายต่างยืนอยู่คนละทิศเรายืนอยู่กลางเมื่อกลับมาจากที่ทำงานลูกเก่าก็ฟ้องอย่างหนึ่งลูกใหม่ก็ฟ้องอย่างหนึ่งแม่เลี้ยงก็พูดไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับใครมันชักเกิดยุ่งในจิตในใจขึ้นมาก ล Caro, ูกใหม่ก็จะเอาอย่างโน้นแต่งตัวอย่างนี้ผลสุดท้ายลูกกับลูกก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นเองภรรยากับบุตรก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นแข่งขันกันในเรื่องการกินบ้างในเรื่องการแต่งตัวบ้างในเรื่องการใช้เงินบ้างในที่สุดจะไปนั่งคุยกับลูกเก่าก็ลําบากจะไปนั่งคุยกับลูกใหม่ก็ลําบากจะไปนั่งคุยกับภรรยาก็ลําบากตรวจดูรายได้ของตัวเองเกเร่ไม่มีเหลือ มองไปทางด้านครอบครัวก็ยิ่งยุ่งยิ่งขวาเข้าไปอยู่ในกองน้ำไวยในที่สุดก็ต้องอยาร้างกับภรรยามีบุตรก็ไม่ได้อย่างนึกมีเงินก็ไม่ได้อย่างนึกมีภรรยาก็ไม่ได้อย่างนึกอยา ก, กันนั้นเลยเรากลับไปบวชใหม่ดีกว่าเราก็ได้มาบวชบาเพ็ญสมณธรรมพอมานึกได้เช่นนี้อารมณ์โรคที่เคยนึกคิดมาก็พลันสูญหายไปในดวงจิต ความอัดอั้นตันใจหายไปหมดสิ้นรู้สึกสบายเหมือนกับตัวลอยอยู่ในอากาศก็รองเออขึ้นมาในดวงจิตนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเรื่องราวจะเป็นถึงเช่นนั้นเราไม่ควรสึกใจที่นึกคิดอยากสึกเหมือนการก่อนก็หายไปตั้งห้าสิบหสเปอร์เซ็นตในระหว่างที่นึกคิดอยู่นั้นมีเหตุบันดานเกิดขึ้นต่างๆเช่นบางคืน ฟันเห็นผ้าจารย์มาด่าบ้างโดกบ้างแต่เหตุการณ์สำคัญสำคัญที่นับพ่ะแปลกได้เกิดขึ้นรวมสี่ครั้งในระหว่างที่นึกคิดในอารมณ์ของโลกแต่ต้องขอโทษท่านผู้ฟังว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่สู้น่าฟังจะไม่กล่าวไว้หรือกร้วนแต่เป็นคติเตือนใจจึงจำเป็นต้องกล่าวไว้ครั้งที่หนึ่งในเวลากลางคืนขณะกาลังนึกคิดอยู่ ในอารมณ์โลกเช่นั้นวันหนึ่งรู้สึกท้องผูกไม่สบายจึงได้ชันยาถ่ายเวลาตอนบ่ายกะว่าตอนสามทุ่มก็จะต้องไปถ่ายตามที่ได้เคยฉันมาก็เกิดเหตุบังเอิญเมื่อชันแล้วเป็นปกติไม่ปวดถ่ายรุ่งเกินเช้าจึงได้เดินออกไปบินทบาตในตรอกวังสปปรรปทุมพอเดินไปถึงหน้าบ้านที่เขาจะใส่บาทก็เกิดรู้สึกปวดอุจจาระอย่างหนักจนทนแทบไม่ไหว จะเดินออกไปรับบาดก็เดินไม่ได้ก้าวขาไม่ออกมัวแต่อดกั้นขยับขาเดินได้ทีละืบไปถึงป่ากระินแห่งหนึ่งรีบวางบาดรอดรู้ว่าเข้าป่ากระินมันนึกอยากเอาหัวตาดินให้ตายียดีกว่าเมื่อทำธุรกิจเสร็จแล้วก็ออกจากป่าอุ้มบาดเดินมิถับาดต่อไปตามเคยวันนั้นได้ข้ามไม่พอฉันกลับมาถึงวัดก็ได้เตือนตัวเองว่า มึงศึกไปแล้วต้องเป็นอย่างนี้ใครเขาจะมาใส่บาทให้กินเรื่องนี้ได้เป็นกติเตือนใจอย่างดีครั้งที่สองออกเดินไปบินทบาทแต่เช้าเดินข้ามสะพานหัวช้างผ่านสามแยกวกไปถนนเพชรบุรีข้าวแม้แต่ทผพเดียวก็มีลงบาทพอดีได้เห็นหญิงแก่อายุประมาณห0สิปีไว้ผมมวยกับตับแป๊กแก่ไว้หางเปีย ยืนส่งเสียงนักเ อ, อกะอยู่ในห้องแถวขณะนั้นเราเดินมาถึงตรงหน้าบ้านเขาก็หยุดยืนนิ่งดูประมาณสักสองอึดใจเห็นยายแก่คว้าไม้กวาดตีหัวตาแปะตาแปะคว้ามวยผมทีบหลังยายแก่ตัวเองก็เริ่มเลยว่าถ้าเป็นเราโดนเข้าอย่างนี้จะทาอย่างไรกันก็ตอบขึ้นว่ามึงต้องบ้านแตกสลาขาดแน่นอนการที่ได้ประสบพบเพตุกาอย่างนี้กลับดีใจ ยิ่งฝ่าบินบาบได้ข้าวเต็มบาทวันนั้นบินบาบได้ข้าวเกือบไม่พอฉันตกเวลากลางคืนก็นึกถึงเรื่องนี้นอยู่เป็นนิดกำลังดวงจิตก็รู้สึกมีการเบื่อหน่ายเรื่องของโลกออกไปเดยลําำดับครั้งที่สวันนั้นเป็นวันเทศกาลได้ออกบินดาบตั้งแต่เวลาเช้ามืดเดินไปถึงตลาดประตูน้ำส ร, ระปทุมและววกกลับมาทางหลังวัด บริเวณนั้นมีคคกมา้ามีถนนดินเวลาฝนตกถนนลื่นได้เดินอย่างสำรมมาตรงหน้าบ้านของโยมคนหนึ่งปินฑบาตได้ข้าวเต็มบาทใจก็นึกิี่ไปในอารมณ์ของโลกนึกจนเผลอตัวก้าวลื่นทลาล้มลงไปในบ่อข้างถนนหัวเข่าทั้งสองจมลงไปอยู่ในโคลนประมาณหนึ่งคืบข้าสุกในบาทหกหมดเนื้อตัวมอมแมมไปในโคลนต้องได้เดินทางกลับวัด เมื่อกลับมาถึงวัดแล้วเก็บเอามาเป็นกติเตือนใจสอนตนเองว่าการนึกในเรื่องทางโลกของเราเพียงแต่นึกคิดมันยังมีโทษติดตามมาได้ถึงเพียงนี้ใจก็ค่อยคลายค่อยเบื่อออกไปเรือยลาดับคิดว่าเรื่องครอบครัวนั้นไม่เป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่กลับความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ครั้งที่สี่เวลารุ่งเช้าออกบิณฑบาต เดินไปตามถนนเพชรบุรีตามเคยเดินไปถึงวังพระองค์เจ้าพระบวรวงเธอพระองค์เจ้าทา น, นีนิวัตรพระองค์ท่านเคยส บ, บายประจำวันแก่พระทั่ๆไปวันนั้นบังเอิญมีขันข้าวตั้งอยู่ตรงข้ามวังอีกขันหนึ่งจึงได้เดินไปรับขันตั้งใหม้เสกอนเมื่อรับเสร็จแล้วหันกลับมาจะไปรับขันตรงข้ามพอดีมีรถเมล์ขาวในเลิศวิ่งมาอย่างรวดเร็ว วิ่งเฉียดเสีะไปห่างประมาณหนึ่งคืบคนโดยสารร้องตะโกนโอยวายขึ้นตัวเองก็ผงะยืนตกตะลึงอยู่เป็นเวลาหลายอึดใจวันนั้นเกือบถึงแก่ความตายเพราะถูกรถเมชชนขณะกลับไปรับบาด ท, ที่วังพระองค์เจ้าทานีต้องสะกดตัวไวอย่างเข้มแข็งมีอาการสารันสัทผานทั่วทั้งตัวเมื่อรับบาดเสร็จแล้วก็เดินกลับวัดเรื่องต่างๆเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นกติเตือนใจเพราะในสมัยนั้นความคิดทางโลกกำลังกำเริบอยู่ไม่เวียนวายลุถึงปีพศ2474ออกพรรษาแล้วในปีพรรษาที่สามก็นึกว่าเราต้องออกจากพระนครแน่ๆถ้าพระอุปชายังหวงห้ามกิดกันอีกเห็นจะต้องแตกกันในคราวนี้มิฉะนั้นก็ขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสากลโลกจงช่วยาพเจ้าโดยทางอื่นวันหนึ่งเวลากลางคืนนอนหงายดูหนังสือพร้อมภาวนาพอเครื่องดับได้เห็นพระจันทร์มั่นมาดุว่าท่านอยู่ทําไมในกรุงเทพไม่ออกไปอยู่ป่าก็ได้ตอบท่านว่าพระอุปัชฌาย์ไม่ยอมให้ไปท่านตอบคำเดียวว่าไปจึงได้ตั้งอธิษฐานจิตถึงท่านว่าเมื่อออกภรษาแล้วขอให้ท่านมาโปรด เ, เราไปให้จงได้ต่อมาไม่กี่วันเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปม า, าจารย์วัดบรมนีวาสเกิดอาพาธขาหักพระจานทร์มั่นก็ได้เดินทางมานำบตการยเยี่ยมเจ้าคุณอุบาลีวันหนึ่งคุณนายน้อยมารดาเจ้าคุณมุกมันตีได้ถึงแก่กรรมเจ้าภาพได้กําหนดการชาปน ก, กิจที่วัดเทพเิลินทราวาตคุณนายคนนี้ ได้มีโอกาลแก่พระจันมั่นสมัยอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีท่านก็ได้ตั้งใจมาในงานศพครั้งนี้ด้วยเรากับพระอุปชาก็ได้รับนิมนต์ไปในงานฌานปณ ก, กิจครั้งนี้ด้วยได้ไปพบพระจันมั่นบนเมนเผาศพมีความดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่มีโอกาสได้สนทนากับท่านแม้แต่คําเดียวจึงได้เข้าไปถามท่านเจ้าคุณอัมราภิรักขิตวัดประดมนิวาสท่านก็เลาให้ฟังว่า พระจานทร์ได้มาพักอยู่ที่วัดบรมนิวาสจึงได้ราพระอุปชาไปแวะวัดบรมนิวาสเพื่อพบพระจานทร์มั่นนับตั้งแต่อุปสมบทล่วงแล้วได้สี่พรรษาเพิ่งจะได้มาพบท่านอีกในคราวนี้ก็ได้เข้าไปกราบไหว้ท่านก็ได้เมตตาแสดงธรรมให้ฟังว่าขีนาชาติพุทธิตังปรรมัจรัยันติแต่ได้เจรความสั้นๆว่าพระอริยเจ้าขีนาศบทั้งหลาย ท่านทำตนให้เป็นผู้ผลจากอสะภะแล้วมีสุขนั่นคือพรมจรันอันประเสริฐจำได้เพียงเท่านี้แต่รู้สึกว่าเราไปนั่งฟังคำพูดของท่านเพียงเล็กน้อยใจนิ่งเป็นสมาธิดีกว่าเรานั่งทำคนเดียวมากมายในที่สุดท่านก็สั่งว่าคุณต้องไปกับเราในคราวนี้ชนอุปชานั้นเราจะไปเรียนท่านเอง สนทนาการได้เพียงเท่านั้นแล้วก็ได้รากับวัดสัปปทุมได้ลาหลวงจะไปพบพระจันมั่นให้พระอุปชาฟังท่านก็นั่งฟังแล้วนิ่งๆอยู่วันรุ่งขึ้นพระจันมั่นได้ไปฏิวัดสัปปทุมแล้วพูดกับพระอุปชาวา่าจะให้พระรูปนี้ติดตามไปด้วยในเมืองเหนือพระอุปชาก็อนุญาตจึงได้จัดแจงตัดเตรียมบริขารของตนล่ําลาสังเสียเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ ได้ถามลูกศิษย์ถึงมูลค่าปัจจัยในการเดินทางได้รับตอบว่าเหลืออยู่เพียง30สต่างจะพอค่ารถจากวัด ส, สระปทุมไปถึงสถานีขรรมโพงก็จะต้องจ่ายถึง50าสิต่างคิดแล้วค่ารถจากวัดไปถึงสถานีขรรมโพงก็ไม่พอเสียแล้วจึงได้กาเปลี่ยนเรื่องนี้ให้พระอาจารย์มั่นทราบท่านก็รับรองว่าจะจัดจานให้ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะถึงกําหนดเวลา ป, ประชุมเพลิงคุณนาย น, น้อยหนึ่งวัน ท่านได้รับนมนมต์ประแสดงธรรมที่บ้านเจ้าพญามุกมนติเจ้าภาพได้ถวายพระไตรหนึ่งไตรน้ำมันกาหนึ่งปีและเงิน80บาทท่านเล่าให้ฟังว่าพระไตรได้ถวายพระวัดปรมนิวาตน้ำมันกาถวายพระมหาสมบูรณ์ปัจจัยและแจกจ่ายแก่ผู้ไม่มีเหลือไว้พอดีค่ารถสองคนคือเรากับท่านเมื่อได้พักผ่พอสมควรแล้วเจ้าคุณอุบาลีคุณุปม า, าจารย์ ก็ให้ท่านกลับขึ้นไปเมืองเหนือได้เดินทางขึ้นไปพักอยู่ที่วัดสัญญพงศ์จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนที่จะขึ้นรถด่วนที่สถานีคลองโขงได้พบแม่งอแน่จำหนองซึ่งจะได้ลงมาในงานชาปนกิจศพคุณนายน้อยหรืออย่างไรไม่ทราบแม่งอเคยเป็นศิษย์พระจันมั่นจึงได้รับเป็นโยมโอปปะทักขณะเดินทางในรถไฟไปตลอดทางเมื่อเดินทางทีจังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว ไ, ไปพักอยู่ที่วัดธัญพงค์หลายวันแล้วได้ออกไปพักอยู่ในป่าละเมาะห่างจากกุฎีเป็นที่เงียบสงัดวิเวกทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนวันหนึ่งได้เกิดขัดใจกับพระอาจารย์ท่านะ็ได อ, อะขับไล่ให้หนีตัวเเองก็รู้สึกชักมโหรู้สึกเิีวเียวอยู่ในใจแต่ก็อดกั้นไว้ไม่ได้แสดงความโกรธออกมาได้เคยปฏิบัติท่านมาแต่อย่างไรก็คงทําไปอย่างนั้น ก็ได้อยู่กับท่านตลอดมารุ่งขึ้นวันใหม่เดือนยี่จนจะสิ้นเดินได้รับข่าวว่าสิทธิ์คนหนึ่งทีงจังหวัดเชียงใหม่ป่วยหนักมีพระสองรูปมาติดตามพระอาจารย์มัน่นแล้วแจ้งข่าวให้ทราบเสร็จแล้วพระสองรูปนั้นก็เดินทางไปจังหวัดพระนครในสมัยนั้นพระอาจารย์ตันเป็นเจ้าอาธิการวัดสัญญพงศ์วัดสัญญพงศ์นี้เจ้าคุณอุปาลีวัดปรมิีวาด เป็นผู้รเริ่มก่อสร้างเป็นคนแรกจากจังหวัดอุตรดิตถ์เรากับพระจันร์มั่นได้ออกเดินทางต่อไปอยังจังหวัดเชียงใหม่เมื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วได้ไปพักอยู่ที่วัดเจดีหลวงลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อนายเบี้ยวยมเบอร์สันกำแพงมีอาการป่วยหนักมากพี่ชายและพี่สะใภได้นําตัวไปให้พระจันรมารักษาโรคที่นายเบี้ยวเป็นนั้นคือโรคจิตในปีนั้น ได้อยู่จำพรรษาที่วัดเจดีหลวงมีพระกรรมฐานที่เป็นเพื่อนฝูงพักอยู่หลายองค์แต่ต่างคนตามไปจำพัรษาอยู่ตามบ้านนอกแม้ตัวเราเองท่านก็ให้ออกไปแต่เราไม่ยอมไปโดเรียนท่านว่าเราตั้งใจจะอยู่ปฏิบัติผ้าจานจนตลอดพรรษาท่านก็ยินยอมตกลงจึงได้อยู่กับท่านปีนั้นตรงกพศ2475เจ้าคุณอุบารี ได้มรณภาพในพรรษานั้นระหว่งางพระารรษาได้ตั้งใจปฏิบัติพระอาจารย์และกรรมฐานของตนกับพระอาจารย์อย่างใกล้ชิดท่านก็ได้ทรมานสั่งสอนทุกสิ่งทุกอย่างเวลาตอนเย็นก็ได้ขึ้นไปนั้งสมาธิอยู่บนองค์พระจดีทางทิศเหนือมีพระพุทธรูปใหญ่องค์หนึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ยังคงมีอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ท่านบอกว่าที่ตรงนั้นเป็นมหามงคลเคยมีพระบรมธาตุเสด็จมาบ่อยๆ ให้ไปนั่งสมาธิ ต, ตรงนั้นก็ได้ทำตามท่านบอกทุกอย่างบางวันนั่งจนไม่ได้นอนระหว่างที่พักอยู่บงกุฎีหลังเล็กๆในป่าดงโกยกุฏิดังนี้คุณนายทิพย์และหลวงยงผู้กำกับการตำรวจเป็นผู้สร้างถวายนายทิพย์สมินธครงจังหวัดกับภรรยาคือนางตาและได้ปฏิบัติสงเสริอาหารผ้าจานเป็นอย่างดีในระหว่างพรรษาก็ได้ออกติดตามตบิดาบัดกับท่านเป็นิต ระหว่างเดิมมิทธาบาทท่านได้สองกรรมฐานเตือนอกเตือนใจอยู่เสมอพอเห็นผู้หญิงเฉยๆงามๆท่านก็บอกว่ามองดูทีละนั่นเป็นอย่างไรสวยไหมดูให้ดีๆ ด, ดูเข้าไปข้างในไม่ว่าจะเห็นอะไรเช่นบ้านหรือถนนท่านก็คอยสอนเตือนใจทุกวันเวลานั้นอายุเพิ่งได้26ปีพันศาห้ากำลังเป็นนุมท่านก็คอยสอนตักเตือนอยู่เสมอ รู้สึกว่าท่านสนใจในตัวเรามากแต่มีที่แปลกใจอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวแก่เครื่องใช้บริการของเราดีๆใหม่ๆท่านคอยชี้มือบอกให้ยอมให้สักให้ทําลายสีเดิมของดีๆก็ไม่ค่อยยอมให้ใช้บางทีก็ขอเอาไปให้คนอื่นตัวเองก็นึกไม่ถึงว่าท่านมีความหมายอย่างไรพูดหลายครั้งหลายคนเข้าเราไม่ทําตามเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดโต๊ะซึ่งเป็นสีขาว ก็ให้ยอมให้เป็นเสกแกนขนุนถ้าเราทำเฉยไม่ยอมท่านก็ลงมือยอมให้เองชอบหาจีวรสบงเกา่าๆขาดๆมาปะแล้วให้เราใช้สอยวันหนึ่งเดินออกไปบินดบาตพร้อมกับท่านเดินไปทา้งทางนีีตำรวจได้เดินสวนทางกับหญิงหาบของขายในตลาดแต่ก็ใจดีเหลือเกินไม่ได้เดินออกจากทางบินดบาตสำรวมใจแน่วแน่สารวมตนเต็มที่ต่อมาอีกวันหนึ่ง ได้เดินตามท่านไปบินดาบาดเราเดินห่างจากท่านนิดหน่อยท่านเดินเร็วแต่เราเดินช้าเห็นท่านเอาเท้าเตะกางเกงขาดของตำรวจที่ทิ้งไว้ข้างถนนท่านเตะไปเตะมาเราก็นึกในใจว่าเราต้องเข้าในทางเสมอพอถึงรั้วสถานีตำรวจท่านก็ก้มลงเก็บกางเกงขาดตัว น, นั้นเน็บไปท่าจีบรเราก็แปลกใจว่าของเขาทิ้งแล้วท่านจะเอาไปทําไมกันเมื่อกลับถึงกุฏิแล้ว ท่านก็นำไปพาดไว้ที่ราวผ้าแห่งหนึ่งเราก็ได้ทําการปัดกวาดปูอาสนะเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องปูที่นั่งที่นอนของท่านบางวันท่านก็ดูเอาว่าทําอะไรไม่เรียบร้อยแต่ไม่ยอมบอกว่าทําอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจเราก็ต้องพยายามทําให้ถูกใจท่านทุกเวลาถึงตอนนั้นก็ต้องถูกเขี้ยวเขีนอยู่จนตลอดพรรษาต่อมาวันดังได้เห็นกางเกงขาดตัวนั้นกลายเป็นถุงย่าม และสาระประคตห้อยแขวนอยู่ด้วยกันที่ข้างขวาวันหนึ่งท่านบอกว่าทุงย้ามใบานี้และรัศปรอันนี้เอาไปใชเ้เสียดรรับเอามามองดูมีแต่รอยปากหลายแห่งของดีๆก็มีอยู่แต่ท่านไม่ยอมให้การได้ปฏิบัติพระฌานานี้เป็นการดีที่สุดแต่ก็ยากที่สุดต้องยอมฝึกหัดทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นนักสังเกต ท, ที่ดีและละเอียดรอบคอบจึงจะอยู่ได้ เวลาเดินบนพื้นกระดานทำเสียงดังก็ไม่ได้เดินไปแล้วมีรอยเท้าติดพื้นก็ไม่ได้เวลากือ น, น้ำมีเสียงดังก็ไม่ได้เวลาเปิดประตูมีเสียงดังก็ไม่ได้เ ว, เ, ด เ, ดไไดเวลาจะตากผ้าเก็บผ้าพับผ้าปูที่นั่งที่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำอย่างเป็นผู้มีวิชามิฉนั้นจะต้องถูกไล่หนีทั้งทั้งปรางมันสาแต่ในอย่างนั้นก็ต้องอดทนพยายามใท้ความสังเกตของตน บางวันเมื่อท่านแล้วจัดแจงเก็บบาทเก็บจีบอนผ้าปูนั่งปูนอนกระโถนก า, นา้ําหมอนและทุกสิ่งทุกอย่างในห้องของท่านต้องเข้าไปจัดไว้ก่อนท่านเข้าไปข้างในจะเสร็จแล้วก็จดจำไว้ในใจแล้วรีบกลับออกไปอยู่ในห้องของตนซึ่งการไว้ด้วยใบตองจาบช่องฝาไว้พอมองเห็นบริขารและโตท่านได้เมื่อท่านเข้าไปในห้องแล้วเห็นท่านมองข้างล่างข้างบน ตัวตาดูบริการของท่านบางอย่างท่านก็หยิบย้ายที่บางอย่างท่านก็ปล่อยไว้ที่เดิมไม่จับต้องเราก็ต้องคอยมองดูแล้วจดจำเอาไว้วันหลังก็ทำใหม่จัดใหม่ให้ถูกต้องอย่างที่เห็นท่านทำว่าท่านทำเองท่านทำอย่างไรเราก็จัดทำอย่างที่เรามองเห็นต่อมาวันหลังเมื่อเข้าไปจัดแล้วก็กลับเข้าห้องของตนมองลอดช่องฝาสังเกตดูเวลาท่านเข้าไปในห้องเห็นท่านเข้าไปแล้วนั่งนิ่ง มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองดูข้างบนข้างล่างแล้วก็มาจับต้องอะไรอีกผ้าปูนอนก็ไม่กลับแล้วท่านก็กราบพระไหว้พระสักคู่หนึ่งท่านก็จำวัดเมื่อเห็นช น, นีก็ดีใจว่าเราได้ปฏิบัติเป็นที่ถูกอกถูกใจพระอาจารย์นอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้ในการนั่งสมาธิก็ดีเดินจงกรมก็ดีก็ได้ฝึกหัดจากท่านไปจมเป็นที่พอใจทุกอย่าง แต่ก็เอาอย่างท่านได้อย่างมาก60เซเท่านั้นต่อมาเมื่ออบพัรศาแล้วทางวัดบรมนิวาสได้จัดงานเพื่อชาปนิกศศิจศพเจ้าคุณอุปาลีพระผู้ใหญ่ที่อยู่วัดจดีหลวงได้จะยอยมาเพื่อช่วยงานเกือบหมดเจ้าวาดได้มอบให้พระจันท์มั่นเฝ้าวัดเจดีหลวงเมื่อเสร็จงานชาปนิกิจได้เห็นหนังสวรรค์หนึ่งมีถึงพระจันร์มั่นตั้งให้ท่านเป็นอุปชาท่านได้เปิดออกอ่านมีใจความว่า พระจาจัรย์มั่นขอให้ท่านรับเป็นเจ้าวาดวัดเจดีหลวงพร้อมทั้งตำแหน่งอุปชาสั่งให้เจ้าแก้วนวรัตน์เชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินการขอให้พระจัร์มั่นทำหน้าที่แทนเจ้าวาดเดิมต่อไปสรุปได้ใจความ ส, สั้นๆอย่างนี้พอท่านได้ทราบเรื่องราวแล้วท่านก็เลยไปหาและพูดว่าเราต้องออกจากวัดเจดีหลวงไปอยู่ที่อื่น อยู่ต่อมาเมื่อออกราษาแล้วได้สองวันท่านได้สั่งให้เราไปวิเวกบนหลังดอยจังหวัดําพูนซึ่งเคยเป็นที่พักของท่านมาแต่ก่อนได้พักอยู่ที่ตีนเขาประมาณสิบกวันต่อมาเวลาประมาณบ่ายสามโมงได้ปรากฏเหตุการณ์คล้ายๆกับว่ามีคนมาบอกได้ยินทางหูขณะกำลังนั่งสมาธิว่าท่านต้องขึ้นไปอยู่บนยอดเขาในวันพรุ่งนี้พอลงขึ้นปั้นใหม่ กนเดินทางถึงยอดเขาได้ไปพักอยู่ณนะที่แห่งหนึ่งเป็นวัดรางเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วันใดที่ตรงกับวันพระมักจะปรากฏมีแสงสว่างเกิดขึ้นบ่อยๆแต่ป่านั้นเป็นป่าลึกมีเสือและช้างฉุนเดินทางไปคนเดียวกลัวก็กลัวกล้าก็กล้าแต่เชื่อมั่นในอํานาจธรรมและพระอาจารย์ได้ค้างนอนอยู่สองคืนคืนแรกสงบสบายดีคืนที่สอง เวลาประมาณหนึ่งหรือสองนากาได้มีสัตว์ป่าคือเสือมารบกวนคืนนั้นเป็นอันไม่ได้นอนนั่งสมาธิตัวแข็งเสือก็เดินบนเบี้ยนอยู่รอบๆรกดรู้สึกว่าตัวแข็งและมืนชาสวดมนต์ก็คล่องแคล่วม่นน้ำไหที่ลืมแล้วก็อนอึกได้ด้วยอำนาจแห่งการสำรวมจิตและคิดกลัวนั่งอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เวลาสองนกาถึงห้านกาเสือตัว น, นั้นจึงได้หนีไปรุ่งขึ้น ได้เดินไปบินดาบัดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีบ้านเพียงสองหลังคาเลือนเจ้าของบ้านออกไปทําสวนทั่วคราวเมื่อพบกับเขาเขาเล่า ว, ว่าเมื่อคืนนี้มีเสือมา ก, กินวัวเราก็นึกกลัวมากขึ้นในที่สุดเมื่อชันอาหารแล้วได้เดินทางขึ้นไปบนยอดดอยเมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยแล้วมองลงไปเบื้องล่างจะได้เห็นพระธาตหริปุนไัยจังหวัด ล, ลําพูนดอยลูกนี้เขาเรียกว่าดอยข้อหม่อ บนหลังดอยมีบ่อน้ำลึกแห่งหนึ่งยังไม่ถึงมีน้ำส ะ, สะอาดมีเศียรพระพุทธรูปตั้งอยู่รอบบ่อเดินลงจากพื้นราบเหยียบหินลึกลงไปประมาณสองเมตรก็ถึงน้ำเขาเล่ากันว่าเวลามีคนตกลงไปในบ่อไม่จมน้ำจะดำน้ำก็ดำไม่ได้ถ้าเป็นผู้หญิงลงไม่ได้เด็ดขาดคืนลงไปจะต้องมีอาการชักดอยนี้ชาวบ้านถือกันว่าเป็นดอยที่ศักดิ์สิทธิ์ อาจารย์เล่าให้ฟังว่ามีปีศาจสำคัญหนึ่งตนอยู่ประจำที่ดอยนี้แต่ไม่เป็นไรเขาไม่รบกวนอะไรเพราะเขารู้จักพระธรรมและพระสงฆ์วันแรกที่ขึ้นไปถึงยอดดอยพอวันลงขึ้นไม่ได้ฉันอาหารถึงเวลากลางคืนเป็นลมตลอดคืนรู้สึกว่าดอยนั้นไหวเหมือนเรือลอยอยู่กลางทะเลมีคลื่นลมจัดแต่จิตดีไม่หวาดกลัวอะไรวันที่สอง ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ในบริเวณวิหารเกา่าสถานที่พักอยู่นี้อยู่ห่างหมู่บ้านที่จะไปบินทป่าได้ประมาณระยะทาง80สเส้นจึงได้ตั้งสัตยาธิฐานว่าเราจะไม่ฉันจังหันถ้าไม่มีคนมาส่งถึงที่ในคืนวันนั้นรู้สึกว่าปวดท้องมีลมรบกวนแต่ไม่เหมือนวันก่อนพอเวลาประมาณห้านกาเศษใกล้จะสว่าง ได้ยินเสียงดังหืดหาดข้างวิหารครั้งแรกนึนกว่าเสือแต่ฟังฟังไปคล้ายเสียงคนแต่โดยด้านนั้นชันมากถ้าจะปีนขึ้นพอปีนได้แต่ถ้าจะปีนลงรับรองว่าลงไม่ได้ถ้าจะนั้นจะมีใข่ขึ้นมานึกสงสัยอยู่ในใจแต่ยังไม่กล้าออกจากกรดและวิหารรางรอจนสว่างรุงอรุณจึงได้ลุกออกจากกรดเดินออกมาข้างนอกวิหารได้พบหญิงชราคนหนึ่ง อายุประมาณเจ็สิบปีมานั่งพนมมือถือห่อข้าไปต่อมาหนึ่งหอ่อขอใส่ผาดพร้อมทั้งถวายยาให้สองอย่างอย่างหนึ่งเป็นรากไม้อีกอย่างหนึ่งเป็นเปลือกไม้แล้วกล่าวว่าขอให้ท่านใช้ ย, ยานี้ฝนกินพร้อมกับอธิษฐานแล้วจะหายปวดท้องขณะนั้นเรากําลังถือเข่งไม่กล้าพูดกับผู้หญิงหลายคําพอรับบิณฑบาตแล้วก็ชันข้าวเหนียวแดงหนึ่งก้อน และยาสองชิ้นนั้นเสร็จแล้วได้ยัดท้าสับปีให้แก่แกก็รากับเดินหายไปทางทิศตะวันตกของดอยต่อมาเวลาประบาลห้าโมงเย็นมีคนถือจดหมายของพระจันมั่นขึ้นไปให้บนยอดดอยน่าจะมายนั้นนินจ์ความว่าให้ท่านรีบเดินทางกลับปัดโดยด่ ว, ดวนเพราะผมจะต้องออกเดินทางจากวัดเจดียหลวงในตอนเชา้าเพราะรถด่วนจะถึงเชียงใหม่ในตอนเย็น พอได้ทราบเช่นนั้นก็เรียบเดินทางลงจะยอดดอยเดินมาถึงหมู่บ้านป่าเฮ้วพอดีพบคำ่ำจึงได้ไปพักในป่าช้าหนึ่งคืนแล้วออกเดินทางต่อเข้าเมืองในซาปาพระจันทร์มั่นเดินทางออกจากวัดเจดีหลวงตั้งแต่เชา้าสอบถามดูก็ไม่มีใครทราบว่าไปทางไหนตกลงเราเองก็ไม่รู้ว่าจะติดตามไปทางไหนจิงจะพบแต่นึกในใจว่าท่านคงออกจากเชียงใหม่ไปทางเชียงตุง ฉะนั้นต้องรีบติดตามไปทางชิงตุงโดยด่วนแต่ยังไปไม่ได้เพราะจำได้ว่าท่านเคยสั่งไว้ในระหว่างเขา้าพรรษาสองอย่างคือหนึ่งท่านสั่งว่าให้คุณช่วยช น, นะในเรื่องข้อปฏิบัติเพราะฉันมองไม่ค่าเห็นใครที่จะช่วยได้ตัวเองก็ไม่เคยนึกและไม่สนใจว่าท่านหมายความว่าอย่างไรสองท่านสั่งว่าจังหวัดเชียงใหมน่นี้เป็นสถานที่อาศัยวิเวก ของบรรดานักปราชญ์ในการก่อนฉะนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากจังหวัดนี้ให้ท่านไปวิเวกอยู่บนหลังดอยข้อหม้อแห่งหนึ่งให้ไปพักวิเวกในถ้าบุบทองอีกแห่งหนึ่งและให้ไปพักวิเวกอยู่ในถ้ําจิงดาวอีกแห่งหนึ่ง